พาตรงนี้ก็เยอะนะหลายคนทีเดียวถ้าคุณเหลืออย่างเงี้ยแล้วคุณจะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกมันขึ้นไปไม่ได้มันขึ้นไปสูงกว่า น, นี้ไม่ได้เพราะคุณจะทิ้งจากสิ่งหนึ่งขึ้นไปอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคุณต้องจบจากสมมติบันไดขั้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าต่าบใดคุณก้าวเนี่ยคุณต้องก้าวให้พ้นบันไดขึ้นขั้นที่หนึ่งเลยใช่ไหมแล้วคุณเดี๋ยขึ้นไปขั้นที่สองก้าวพ้นทั้งขาซ้ายขาขวานะอ่าไม่ใช่คุณ ก้าวขึ้นไปขาขวาแล้วขาซ้ายแตะอยู่ปลายเท้าแตะอยู่ที่บันไดขั้นที่หนึ่งเนี่ยอ่าอาจะเหลือไว้หน่อยเอาแล้วเงี้ยคุณคุณจะไปมั่นคงคุณจะไปขึ้นไปทําให้มันได้สมบูรณ์ในบันไดขั้นที่สองได้ไงคุณก็ทําไม่ได้แม้ขั้นที่หนึ่งเนี่ยคุณก็ยังไม่พ้นเลยเพราะปลายเท้าคุณยังแตะอยู่ที่ขั้นที่หนึ่งอันที่บอกคุณจะขึ้นไปขั้นที่สองได้เนี่ยคุณต้องหลุดขั้นที่หนึ่งมาให้บริสุทธิ์บริบูรณ แม่ปลายเท้าก็ยกขึ้นมาที่ก้าวขึ้นมามาเหยียบขั้นที่สองให้มันเต็มมันจะได้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในบันไดขั้นที่สองด้วยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอคุณก้าวขึ้นมาเต็มขั้นที่สองคุณถึงจะก้าวขึ้นไปขั้นที่สามอีกเพราะมันต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์จากฐานที่เราเคยยืนเหยียบอยู่นั้นต้องหลุดมาให้ได้คุณถึงจะขึ้นไปบริสุทธิ์ในขั้นสูงขึ้นไปได้เพราะนั่นอย่าไปหลงเหลือมันเอาไว้ ซึ่งอันนี้จะมาเห็นอยู่ว่าพวกเราเนี่ยศีลหลายข้อนะหรือตะบะหลายอย่างที่พวกเราสามารถทำบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้แต่พวกเราเนี่ยไม่ทำสักทีหรือทำไปแล้วก็ไปทำเฉพาะเข้าพรรษาไปทำเฉพาะช่วงไหนฤดูการเขาปลุกระดมก็ทำพอเขาเลิกปลุกระดมก็เลิกทำ ไอการเลิกทํานั่นแหลนะน่ะคุณก็ไปหลงเหลืออีกแล้วมันย้อนกลับไปหลงเหลืออยู่อยู่อย่างเก่าอีกแล้วเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใจเราจริงๆก็รู้ว่าเราทําได้อยู่แล้วไออย่างเงี้ยเอาจริงเขาหน่อยเท่านั้นเองนะตั้งใจทําจริงๆเนี่ยคุณก็จะทําได้บริสุทธิ์ไปเลยแล้ ว, ลวพอคุณได้แล้วที่คุณสบายเลยนะคุณไม่ต้องถอยกลับมาอีกเลยมันมันได้แล้วมันได้เลยเนี่ยไอเต็มร้อยไปแล้วเนี่ย เพราะพอมันได้เต็มร้อยเนี่ยความปิติสุขเอกคตาจิตที่คุณได้นนะโอ้โหมันโล่งมันโปรโ่งมันสบายคุณเลิกเนื้อสัตว์มาได้เนี่ยใครที่ได้เต็มร้อยแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปเหลืองเหลือเศษเชื้อชืออะไรอีกเนี่ยรับรองเลยคุณไม่อยากกลับไปแตะไปชิมไปกินอะไรเนื้อสัตว์อีกเลยเพราะคุณชัดเจนเลย แค่บางทีเนะอย่าว่าแตไปแตะไปชิมเลยแค่ได้กลิ่นคาวเนื้อสัตว์โอ้โหยังไม่อยากจะดมเลยคุณนั่นแนหะไม่ได้รังเกียจนะแต่เรารู้สึกว่าแม้กลิ่นเนี่ยเราเราก็ยังไม่ไม่ต้องมาดมเลยพูดง่ายไม่กินทางปากเราไม่กินทางจมูกด้วยทางจมูกก็ไม่กินอืมเหมือนกับจําชาดกกแม่มาอยู่เรื่องหนึ่งที่ เรื่องมีดอกบัวบึงบึงบัวส่งกลิ่นหอมอะ่ะเสร็จแล้วก็ไม่ไปเด็ดดอกบัวเสร็จแล้วก็ไปยืนอยู่ริมบึงเนี่ยนะแล้วก็ไปดมกลิ่นดอกบัวที่หอมเนี่ยแล้วก็เลยมีเทวดาหรือไงเนี่ยนะมาต่อว่าไงบอกเีท่านยังยังเสพท่านยังติดอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็โดนต่อว่าต่อขานนั่นแหละ นเนี่ยอย่างเงี้ยยังเป็นเศษเชื้อที่ยังให้หลงเหลืออยู่อีกแน่ก็ทำไมอ่ะอะ่นี่นี่ทางปากไม่กินแล้วยังกินทางจมูกอีกนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีดทอกทางจมูกมนะเออแต่ตอนนี้เอาละนะแม้บางคนนี่ทางจมูกก็ไม่ดมแต่เป็นไง ทางใจบางทีแหมวันวันร้ายคืนร้ายยังยังไงโอ้มันนั่งนึกถึงเป็นไงในจิตเนี่ยนั่งนึกถึงโอ้โขข้าวหมูแดง ข, ข้าวหมูย่างเอข้าวขาหมูโอ้ไออะไรนะเป็ดไก่อะไรต่ออะไรนะั่อมันยังเสพในจิตอีกเนี่ยก็ทำไมจะต้องให้มันหลงเหลืออีก เช่ไเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาปั๊บคุณมีสติคุณรู้ตัวปั๊บเอามาอีกแล้วไอ้อย่างนี้นี่นะมันจะมายั่วย้อมมายอมสีใจเราอีกแล้วทำให้เราไปหลงไหลไปหลงเพิ่มมันอีกแล้วนี่เพราะฉะนั้นไม่เอาไม่ต้องให้มันหลงเหลือพวกนี้ไว้อ่ะนะกําจัดได้กําจัดไปเลยให้มันเกลี้ยงเลยเพราะถ้าคุณกําจัดไอ้พวกเศษหลงเหลือไปได้คุณเป็นพระอาหารหันต์ จะเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณกำจัดได้โดยไม่มีเศษเชื้อหลงเหลืออยู่เป็นพระอารหันในเรื่องนั้นคุณไม่ติดเล่าบุหรี่คุณชัดเจนใช่ไหมไม่มีเลยแม้จิตคุณไม่เคยคิดจะต้องไปห่วงหาไม่ไปโหยหาอยากไปแตะต้องอะไรไอเล่าบุหรี่อะไรพวกนี้เลยคุณก็เป็นอรหันในเล่าบุหรี่คุณไม่มีเศษหลงเหลืออะไรในเรื่องพวกนี้เลย ไปสํารวจของไกรของคนนัน้นนี่ยกตัวอย่างที่ให้คุณเห็นชัดชัดแต่ตนี้เรื่องไหนค่ะถามคุณว่าเนื้อสัตว์คุณยังหลงเหลืออยู่ไหมไปสํารวจของไกรของคนนั้นหลงเหลืออยู่ไหมมีไหมว่าบางทีก็โอ้โหพอเห็นอะไรนะเปะ็ดเจี๊ยบนึกถึงเป็ดจริงเลยเห็นเป็ดเจ๊โอ้โหนึกถึงเป็ดจริงเลยนะสัญญาเก่ามาเลยนะ สัญญาเก่าขึ้นมาเลยนะโอ้โ oh, ห <c oughs> แต่ก่อนกินอเนจอร่อยแม่กินกินเป็ดจริงมาเลยคราวนี้ไม่ใช่กินเป็ดเจแล้วนะคราวนี้กินเป็ดจริงในจิตเราในอุปทานขึ้นเลยแล้วถ้ากินจริงๆริงพออุปทานเก่าวคุณขึ้นนะะกินเป็ดจริงจ ร, งจรงมาเลยทันทีเลยเพราะเนี่ยพอเรามีสตรริรู้ตัวอ้าว น, นี่ยังหลงเหลืออยู่นี่รู้ตัวปั๊บจัดการ น่าสลายทิ้งไปเลยบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้เราเลิกได้แล้วเราเลิกได้เด็ดขาดมาพอสมควรแล้วอันนี้มันสัญญาเก่ามันขึ้นมานะจะมาหลอกเราให้ไปเกิดเชือเเ้อเกิดกิเลสอีกไม่ได้หรอกงั้นตัดมันทิ้งไปไม่เอาเราไม่ติดแล้วอ่าอย่างเงี้ยคุณทําอย่างนี้ได้เนี่ยว่าหลังมันเกลี้ยงเก า, าจริงๆเิงแลมันไม่มันไม่มาหลอกกุยอีกละถ้ามันขึ้นมามันขึ้นมาแต่สัญญา คือมันมันขึ้นสมมุติว่าพอเราเห็นเป็ดเจใช่ไหมเราภาพเป็ดจริงมันขึ้นมาแต่ไม่ได้มีจิตใจคิดใครอยากอะไรอยากจะไปกินเป็ดจริงอะไรกัมันจะไม่มีเลยแต่สัญญามันขึ้นมาได้แต่สัญญามไม่ได้เป็นกิเลส อ, อันเนี้ยนะหลงเหลือนั่นก็จะกำจัดไปได้เพราะฉะนั้นวิธีแก้หลงเหลือก็คือ ใช้อะไรแก้หลงเหลือฮะใช้อะไรแก้หลงเหลืออะไรที่จะแก้ใจ ด, ดีที่สุดเลยฮะี่สรุปแล้วนะเนี่ยอืมไอสติมันแน่นอนอยู่แล้วบอกแล้วว่าสติไม่มีก็จบกันเลยต้องใช้ความเด็ดขาดคุณ <c oughs> ไอหลงเหลือเนี่ยคุณต้อง ใจแข็งแข็งังใจเด็ดเด็ดถึงจะแก้ได้ความอาลัยอาวรณ์ความเสียดายนี่แหละที่มันทำให้หลงเหลืออยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่ใช่ไม่รู้นะมันรู้แต่คุณเสียดายคุณอาลัยอาวรบางคนเนี่ยนะอะไรอะไรทางบ้านก็จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจริงๆก็มาได้แต่ก็ยังต้อนแต่งแต่งติงๆติ่งตองๆองอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มาทักที ก็แค่ตัดใจตัวเองก็มาได้แล้ะบางทีคนที่บ้านเขาก็ไมาได้ว่าอะไรอยู่นะเขาก็ยินดีจะให้มาโดยซ้ำไปแต่ตัวเราเองนะมันเสียดายอย่างอะไรเอาวรนไอ้นวไอ้นีนน่มันก็เลยไม่ยอมตัดใจมาเพราะวจะแก้ตัวหลงเหลือนี่ต้องตัดใจตัดใจเลยใจแข็งแข็งใจเด็ดๆเพราะนี่ผลทั้งหมดเนี่ยมันมาสรุปลงตรง ต, รงตัดใจอะไรที่คมที่สุด ในโลกนี้นคือความที่ใจคมพ่อท่านเคยใช้สำนวนะมาจำสำนวนไม่ได้แล้วแต่รู้แต่ว่าใจคมเนี่ยหละเพราะฉะนั้นการที่ใจจะตัดอะไรต่ออะไรได้คุณต้องทำใจให้คมถ้าใจทื่อๆเป็นไงตัดไม่เข้าโอ้โหตัดไม่เข้าเลย เอใจทื่อๆไม่มีคมเลยนะประเภทบางคนในใจทื่อเหลือเกินตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดตัดยังไงก็ตัดไม่หลุดโอ้อย่างนี้ยากไอ้อย่างนี้อย่าว่าจะหลงเหลือเลยน <c> ะ <oughs> มันเบิกบานเบิะเลยแหละมันไม่ใช่แค่หลงเหลือหลงเหลือเนี่ยมันตัดใจมาขนาดหนึ่งแล้วนะจนกระทั่งมันมาเหลือเศษเหลือเชื้อเหลืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันเหลือตัดสุดท้ายอะคุณตัดได้อีกไหม มาพูดบ่อยมากเลยที่ทำอะไรที่ทำให้มันตัดใจไม่ได้ติดอะไรอยู่สองอย่างทำให้ตัดใจไม่ได้เออพูดอยู่บ่อยว่ามันติดสบายแล้วมันกลัวลำบากสองอย่างนี้แหละที่ทำให้มันตัดสุดท้ายไม่ได้สักทีนั่นคุณจำสองคำนี้ไว้ให้ดีๆมันติดสบายแล้วมันก็กลัวลำบากมันเลยไม่ยอมตัดใจ เพราะถ้าคุณจะตัดใจได้หรือคุณจะฝึกใจให้คมขึ้นมาได้คุณต้องเลิกติดสบายเลิกกลัวความลาบากโดยเฉพาะลำบากแบบนี้เป็นการลำบากเพื่อที่จะพ้นทุกข์นะคุณลำบากลำบากแบบนี้ลำบากเพื่อที่คุณจะได้พบความสุขที่ถาวรที่แท้จริงของชีวิตนะเป็นสุขที่เราเรียกว่าอารมณ์มรรเป็นสุขที่จะไม่ต้อง มาเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังรานทำไมอ่ะทำไมจะตัดใจอย่างนี้ไม่ได้ตัดใจอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการตาดแบบัมมตดแบบเนข่ขมอะเออตัดแบบเนคขมอะอ้าวนี่ห้าข้อครบละตามความต้องการของโยมสื่อสินอ๋อเหลือเวลาห้านาที <c oughs> อา้าวมีใครถามอะไรไหมนะอา้าวถามอะไร <c oughs> อาจมาตอบไปสั้นได้ <c oughs> <c oughs> ยกไว้มื่มันจำเป็นต้องตอบยาว เรื่องการกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมที่ข้างนอกเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฆ่ามาเพื่อตัวเราเองเหรอจอ๋ออันนั้นเขาใช้คำว่าเจาะจงถือถ้าไม่ไม่เจาะจงฆ่ามาเนืออันนี้เป็นมันมีในพระสูตรนะเป็นคำที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้มีในพระสูตรเลยว่าถ้าไม่ได้เจาะจงฆ่าเขาก็ถือว่ากินได้ อย่างเช่นภิกษุเนี่ยคือเป็นบทที่ภิกษุจะต้องพิจารณาเลยสมว่าอาหารเนี่ยตอนที่พิจารณาอาหารก่อนที่จะฉันนะสมว่าเขาเขามีเนื้อสัตว์มาใช่ไหมเสร็จแล้วท่านเองเนี่ยท่านพิจารณาแล้วว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้จอดจงฆ่ามาเพื่อที่จะมาให้ท่านเนี่ยมาถวายท่านอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะไม่อะไรก็ฉันก็ได้ก็ฉันก็ได้ ก็นั่นไงล่ะก็อย่างเช่นอย่างนี้ไงที่อาตมาบอกสมมติว่าพระมาพิจารณาเนี่ยว่าเอาคนนี้เขาซื้อมาใส่บาตรเอาสมมติน่ะเนื้อสัตว์นะนะเขาซื้อมาใส่บาตรใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะซ้ำไปว่าใครฆ่ามาแล้วก็ไม่ได้เจตนาฆ่ามาเพื่อมาทําบุญถวายพระด้วยถูกไหมล่ะอะอย่างเงี้ก็ฉันได้หมดแหละเนื้อสัตว์ตัวไหนก็ฉันได้หมดแหละถูกไหมล่ะถ้าถ้าพิจารณาอย่างที่ตะกี้บอกอะเอาคนนี้ไม่ได้เจาะจงฆ่ามาเพื่อที่จะ ถวายพระท่านนี่วันท่านพิจารณาเสร็จท่านก็ะชันได้ถูกไหมละ่ะที่ที่อย่างคุณว่ามาเนี่ยแต่ถ้าพิจารณาแบบนี้อาตมาถามหน่อยเถอะทุกวันเนี่ยมีคนทำบุญสักกี่คนที่ข่าเองถ้ามาถามดูหน่อยมีคนทำบุญสักกี่คนที่ข่าเองหรือไม่ต้องเอาข่าเองอะทอาหารเองอะ น้อยลงเรื่อยๆอยถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไงอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วล่ะมันเกี่ยวอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่เรียกว่ามีเจตนาฆ่าเพื่อที่จะเจาะจงฆ่านี่แหละคือเจาะจงฆ่าเพื่อที่จะมาทำอาหารนี่แหละให้ให้คนกินพูดง่ายจะเป็นพระก็ะตามไม่ใช่พระก็ะตาม เพราะถ้าตาบใดเนี่ยมีการเจาะจงฆ่าเพื่อมาเป็นอาหาร ก, ก็เขาเจตนาฆ่าเพื่อมาทําเป็นอาหารใช่ไหมให้คนกินเพราะฉะนั้นยิ่งค้าขายด้วยะเจตนาเพื่อค้าขายอาจจะไม่ได้ฆ่าทําอาหาราแต่ฆ่าเพื่อเพื่อขายก็ได้ถ้าเจตนาอย่างเงี้ยเพื่อซื้อขายหรือเพื่อมาทําเป็นอาหารมันต้องมีผู้มารับทอดอยู่แล้วถูกไหมต้องมีผู้มารับทอดต่ออยู่แล้ว คือผู้ที่มากินอาหารนั้นหรือผู้ที่มารับเนื้อนั้นไปต่ออีกถ้ามีเจตนาอย่างเนี้ยผิดแล้วผิดศีลข้อที่หนึ่งแล้วหรือถือว่าเจาะจงฆ่าไม่ใช่แปรอย่างที่เขาแปรถ้าแปรอย่างที่เขาแปรอัตมาบอกแล้วเนื้อสัตว์อะไรก็กินได้ทั้ง น, นั้นแหละบอกแล้วว่าทุกวันนี้ทั้งบิดาข่าเองบางทีท่านบได้ทาอาหารด้วย ก็คุณไปซื้อมาก็มาทําบุญใส่บาทอะไรได้ทั้งนั้นนี่อย่างเงี้ยล้วภาพไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาอะไรเลยด้วยเพราะส่วนใหญ่ก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็ฉันได้ทั้งนั้นแหละทั้งเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไงไม่ใช่เป้าหมายเพราะจะต้องสอดคล้องกับศีลข้อที่หนึ่งบอกแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ตัดอะไรที่ขัดแย้งกับศีลโดยเฉพาะศีลเป็นหลักด้วยแล้วศีลนี่เป็นหลักด้วยอ่ะเพราะที่บอกว่า เออถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่เขาเจาะจงอะไรมาอย่างนี้นะต้องไม่ขัดแย้งกับศีลข้อที่หนึ่งว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะฉะนั้นคุณคุณดูเป้าสิอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมก็ขนาดห้ามแล้วเนี่ยห้ามฆ่าแล้วเพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่ว่าห้ามฆ่าแล้วเนี่ยผิดแล้วนะถ้าถ้าเจาะจงฆ่าเนี่ยผิดแน่นอนแล้ว เนี่ยเจาะจงค่าเนี่ผิดแหละกูจะค่าเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเจาะจงค่ามาเนี่ยคุณผิดแน่นอนแล้วบาปผิดศีลข้อที่หนึ่งแล้วุณจะเจาะจงค่ามาขายเจาะจงค่ามาทําอาหารกินเองก็ตามคุณผิดแล้วแต่ที่ข้อนี้นี่ที่แบบว่าถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่นะที่บอกว่าไม่ได้เจาะจงค่ามาเพื่อที่จะมาทําอาหารให้ฉันเนี่ยหรือว่าใ ห, ให้คนเรากินเนี่ย พูดง่ายว่ามันหมายความเหมือนกับเนื้อที่บางสกุลที่มันตายโดยธรรมชาติหรือมันเกิดอุบัติเหตุตายเขาไม่จะเจตนาจะไปฆ่ามันเข้าใจไหมเขาไม่จะเจตนาจะไปฆ่ามันนะแต่ว่าบางทีเอาขับรถมาอย่างเงี้ยโอ้โหหมูวิ่งข้ามถนนชนหมูตกคลองตายหมูตายนะ <c oughs> ไม่ใช่คนเออ อย่างเนี้ยเอา้าไม่ได้เจตนาจะไปฆ่ามันเลยอุบัติเหตุเนื้ออย่างเนี้ยเอามาทำเป็นอาหารหรือแม้แต่เขาเขาเอาเนื้ออย่างนี้ไปขายก็ตามไม่ผิดอะไรเพราะว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้เจาะจงจะไปฆ่ามันถ้าตายแล้วถ้าคุณทิ้งเฉยเฉยอ้าวก็เสียของไปเปล่าประโยชน์ใช่ไหมอันนี้อ้าวเขาก็เอามากินหรือเอามาทาเป็นอาหารเอามาใช้เป็นประโยชน์ซะ ถ้าอย่างเนี้ยผู้เจ้ายังพอรวบรวมได้หรือถือว่าเป็นเนื้อแบบปังสุกุลนะหรือสิงโตสมมว่ามันมันไปล่ากวางได้สักตัวหนึ่งมันกินกินเสร็จมันอิ่มแล้วยังเหลือเศษเนื้อของกวางอยู่เลยใช่ไหมแล้วมันก็ทิ้งเอาไว้เงี้ยมันก็ไปที่อื่นแล้วอันนี้สิงโตเจตนาฆ่ากวางกิน ใช่ไหมแต่ตอนนี้กวางที่ตายแล้วเนี่ยทิ้งแล้วคําว่าบางสุกุลนี่หมายถึงว่าเนื้อที่ทิ้งแล้วคือถ้าทิ้งแล้วเนี่ยมันถ้าทิ้งต่อไปก็คือเน่าแล้วก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ละแล้วเราก็ไม่ได้ไปฆ่าเองเราไม่ได้แปลอะไรแม้เนื้ออย่างนี้เอามาทําอาหารกินได้อันนี้อนุโลมพระเจ้าอนุโลมให้เห็นไหมเนี่ยคนที่ ไปเอาเนื้อนั้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาให้สิงโตฆ่ามาให้เขาใช่ไหมเออเมาก็ไม่ได้เจตนาอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไปพบไปเห็นซากซากกวางโดยที่เรียกว่าอ้าวนี่สิงโตหรือสัตว์อื่นอะไรใครก็แล้วแต่ฆ่าทิ้งไว้แต่เห็นไหมไม่ได้เจตนาฆ่าเพื่อที่จะมาให้คนกินหรือว่าให้ให้ใครกินเป็นอาหาร พ่าถ้ามีเจตนาฆ่าเพื่อให้คนกินเพื่ออะไรแล้วเอาเนื้อท่านมากินผิดเนี่ยถ้าจะพิจารณาต้องพิจารณาแบบนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกไงที่เขาพิจารณากันแล้วเขาเอาตื้นตื้นแบบนั้นเนะ่ยมันค้านแย้งกับศีลค้านแย้งกับอะไรไปหมดแหละแล้วถึงได้ออกมาเป็นผลทุกวันนี้ไงถึงพระในเมืองไทยส่วนใหญ่ถึงได้ฉันเนื้อสัตว์เป็นว่าเล่นเลย แล้วพระสูตรนี้ก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยพ่อท่านมาแปลแล้วก็มาตีความให้ให้ชัดเจนเนี่ยแหละคนคนที่ไปอ่านที่พ่อท่านเคยเขียนลงในแสงสูตรเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี่ยเจาะจงฆ่าเนี่ยโอ้โหคนอ่านแล้วบอกโอ้โหชัดเจนเลยเข้าใจเลยเขาเลิกกินเนื้อสัตว์เลยอย่าว่าแต่พระเลยแม้ผู้ที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเขาชัดเจนในะอันนี้เขายังเลิกกินเลย แล้วนาปภาษาอะไรกับพระอ่ะพระยิ่งต้องชัดเจนได้ได้ถูกต้องได้ดีกว่ า, าอ้าวไม่รู้ยังงงอรื่เปล่า <c oughs> ระวังน่ะ <c oughs> เขา ระวังครเขาจะไม่กินแค่เนื้อใส่เขาจะกินขุนเข้าไปด้วยปากประวาทะกับเขาระวังให้ดีอ่าอ่าอ๋อถ้าเป็นคนรู้กันก็ไม่เท่าไหร่อนะระวังถ้าไม่รู้กันนี่ต้องพูดดีๆนะบางเรื่องนี่แม่พูดยากคือมันต้องปรับทิฏฐิค่อยๆปรับมาปรับมาจนกระทั่งค่อยๆมีสัมมาทิฏฐิเข้าเข้าเข้ า, เ ข, าเข้ามานะถึงจะพูดกับรู้เรื่องนะั่นกู ถ้าห่างไกลกันมากนะอยู่ดีคุณจะไปปรับที่ถีเข้าเลยนะโอ้โหฟังกันไม่รู้เรื่องเลยนะทะเลาะกันตายเลยละคุณไอเราไม่เจรานาจะทะเลาะกับเขาแต่เขาทะเลาะกับเราแน่ขนาดมาเคยไปตอบคําถามที่ที่ธรรมศาสตร์ปีไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วพวกนักศึกษามาลุมถามมากระพูดไปเนี่ยอธิบายเนี่ยไอเรื่องถูกต้องต่างๆที่เรา ปรพฤติปฏิบัติมาเนี่ยโอ้โหเขาฟังแล้วเขาค้านแย้งเขาโต้เถียงอย่างงั้นอย่างงี้จนกระทั่งพวกเราเองอ่ะไอ้ที่นั่งฟังอยู่พวกเราที่ไปด้วยอะนั่งฟังอยู่ทนไม่ไหวจะมาช่วยเถียงแทนอาตมาต้องระวังอาตมายังบอกเดี๋ยวเดี๋ยคุณนั่งเฉยๆใจเย็นๆไว้ให้อาตมาตอบเองโอ้ต้องบอกพวกเราอ่ะมันก็จําไม่ได้แล้วนะใครเนี่ยจะขึ้นมาช่วยเถียงแทนไม่รู้ เป็นญาติธรรม น, นั่นไม่ได้ต้องต้องอดทนต้องใจเย็นให้พอแล้วบางทีถ้าเราอธิบายไปไกลเกินไปเขาก็ไม่เข้าใจบางครั้งก็ต้องอธิบายจากตื้นๆให้เขาเข้าใจก่อนทีละขั้นมาทีละขั้นมาเป็นลำดับเป็นขั้นตอนเขาถึงจะเข้าใจไอ้ที่ลึกขึ้นมาได้บางครั้งเราพูดออกไปเราอธิบายไอ้จุดหมายปลายทางซึ่งเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราอธิบายตัวปลายไปเลย แต่ตัวต้นเราไม่ได้อธิบายปัญขาดตอนเขาไม่เข้าใจมันต้องอธิบายมีเบื้องต้นทำกลางบ้านปลายคุยกันแล้วถึงเขาจะยอมจำนวนแต่ต้องรวมไปทั้งคนนั้นเนี่ยต้องไม่หลงตัวด้วยนะถ้าหลงตัวถือตัวแล้วโอ้โหยิ่งยากเลยอ่ะเนี่ย พอเข้าใจป่ะอ้าวถ้าเข้าใจวันนี้ก็พอวันนี้สองทุ่มวันนี้วันพุธวันพุธปกติก็เราก็เริ่มหกโมงนะถึงสองทุ่ม